อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายปีมะโรงนะคะ พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมรดกการพระอาจารย์ไพบุ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นองค์วิทยากรประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วท่านก็จะเมตตา ม, ม า, อาตอบจุดหมายของอท่านผู้ใช้นาม ว่าคุณประสาทมีแก้วนะคะซึ่งก็ได้เขียนคําถามเข้ามาในเว็บไซต์ของพระอาจารย์ภัยบุญอภิบุญโนนะคะส่วนคําถามจะว่ายังไงนั้นเนี่ยเราไปกราบน้มสักการพระอาจารย์ภัยลุญกัน ก, นก่อนดีไหมคะท่านผู้ฟังคะกราบนมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเทีนพานเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เราขออนุญาต ท, ที่จะนําคําถามของคุณประสาทมีแก้วมาตอบอเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เป็นความรู้กันดีไหมเจ้าค่ะได้ก็คือจริงๆแล้วมัน ในช่วงรายการของตลอดสัปดาห์เนี่ยในวันวันพุธเนี่ยก็จะนําคําถามของท่านผู้ฟังเนี่ยมาตอบให้ฟังเป็นสั้นๆก่อนอโดยคําถามไหนที่มีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเลือกมาสักขฉากร์กันกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้เจ้าค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีคําถามของคุณประสาทมีแก้วซึ่งน่าสนใจอยู่ก็เลยจะนำมาสักขฉากร์กันในวันนี้เจะได้วิเคราะห์เจาะลึกกันไปเลยนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ ขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าค่ะยมยจะขออนุญาตอ่านว่าที่คุณประสาทมีแก้วได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ของทางวัดป่าดอนหายโศกและก็ของพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนนั้นท่านก็เขียนมาดังนี้ค่ะว่าอานามัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพ ผมเป็นคนนึงที่ติดตามฟังรายการธรรมรัรุณเป็นประจำเสียด า, ายวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีเขาเอารายการอื่นมาแทนเลยไม่ได้ฟังอันนี้คิดว่าคงจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภู<ผ> ม, มิภาคนะเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะแล้วก็คุณประสาทก็บอกว่ากระผมมีปัญหาในการปฏิบัติอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้นะคะเวลาตักบาตรตอนเช้าที่บ้านผมจะไปตักบาตรรวมกันเป็นจุดๆุดพอตักบาตรเสร็จ พระท่านให้นั่งลงยกภาชนะที่ใส่บาทขึ้นใส่หัวแล้วท่านก็จะยถาสัพเีให้พรมีพระบางรูปบอกว่าการกระทำแบบนี้ผิดวินัยสงฆ์เพราะพระจะให้พรได้จะต้องนั่งเหมือนกับคารวาสเท็จจริงประการใดกรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับกราบนมัสการก็เลยอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์ภัยบุรอภิปุโนเลยเจ้าค่ะเป็นคาถามของคุณประสาทมีแก้วเจ้าค่ะ เรื่องนี้ตอนที่อาตมาเป็นพระแรกๆก็งงเหมือนกันนะว่าเจะทำยังไงถึงจะถูกต้องเจ้าคะ่ะก็คือเวลาพระไปบินธบาตอย่างเงี้ยในคำนวณของคุณประสาทก็คือว่าเขาเอาชาวบ้านเขาเอาอาหารใส่บาทใช่ไหมเสร็ จ, จแล้วคือเขาจะไปบินฑบาตรวมกันที่หนึ่งอาจจะเป็นเดี๋ยวสมัยนี้เขามีตลาดใช่ไหมแล้วก็จะมีแผงที่เขาจําหน่ายอาหารสําหรับใส่บาทพระนะเจ้าค่ะพระก็จะมีพระบางรูปไปออกกันอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีโยมหลายคนไปออกกันอยู่ที่นั่นใช่ไหม แล้วก็มีการซื้ อ, อบินหบาตแล้วก็ใส่บาทพระพระก็จะบอกให้อ่าคุณนั่งลงแล้วก็มีการให้พรเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะทีนี้มันจะมีหลายประเด็นในเรื่องนี้นะจึงต้องทำการวิเคราะห์ให้ทราบกันอันดับแรกพระเนี่ยมีศีลคือความเป็นปกตินะของพระอยู่อยู่หลายระดับนะความเป็นปกติของพระอยู่หลายระดับเนี่ยหมายความว่าถ้าผิดปกติในความเป็นปกติของพระเนี่ยนะอย่างถ้าสมมติ ไปมีเพศสัมพันธ์นะคุณหลุดออกจากความเป็นพระเลยอันนี้โทษหนักสุดนะถ้าน้อยกว่านั้นหน่อยอย่างเช่นว่าไปถูกต้องการหญิงด้วยจิตมีกําหนัดอย่างเงี้ยนั้นะก็จะเป็นอาบัติที่เป็นความผิดนะที่เบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังไปติดคุกพระอยู่ดนะีแล้วก็มีอาบัติที่เบาลงมาอีกเช่นม า, าถูกปรับด้วยความดีนะก็จะถูกเพื่อนตีเตียนนะต้องคุณต้องไปปรงอาบัตินนะั้ในข้อนี้เรื่องของการกล่าวธทำโดยการยืนนะมีข้อหนึ่งที่พระพเจ้าพูดถึงว่า ถ้าเผื่อว่าภิกษุยืนอยู่นะกล่าวธรรมให้บุคคลที่นั่งอยู่นั้นะแล้วเขาไม่ป่วยนะถ้าเขาไม่ป่วยนะเขานั่งอยู่เรายืนอยู่กล่าวธรรมให้เขาฟังนะอันนี้เป็นอาบัตินะเป็นความผิดนะเป็นความผิดของพระทีนี้ด้วยการด้วยด้วยบทข้อนี้เนี่ยทำให้ครูบาอาจารย์รุ่นอย่างเช่นหลวงปู่ม่านเป็นต้นนะท่านก็พาทําในสายธรรมยุทธ์เนี่ยท่านก็ว่าเอางั้นเวลาเราไปบิณฑบาตเนี่ยเราจะไม่มีการพูดอะไรนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ เขาเรียกว่าในเสขียวัตรข้อปฏิบัติที่ทําให้ทําให้เราเป็นคนดีนะเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ น, นะเรื่องเกี่ยวกับมารยาทเนี่ยเช่นว่าเข้าไปในบ้านเนี่ยจะไม่พูดเสียงดงังจะพูดเสียงเบาๆพูดเสียงค่อยๆเว้<ร>าเข้าไปในหมู่บ้านหรือเข้าไปในบ้านคนเนี่ยเราจะไม่มองเกินระดับไหล่จะไม่มองเที่ยวสาวสายตา ม, มองตามหนังเขามีอะไรบ้านเขามีอะไรจะไม่เป็นอย่างนั้นจะมองนิ่งๆนาตาจะแบบไม่ลุกรี้ลุกหล่นอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติของพระอย่างหนึ่ง บางทีเข้าไปในบ้านคนเนี่ยห้ามเดินกระย ong จะเป็นหมู่บ้านหรือบ้านคนเรือนคนเนี่ยก็ห้ามเดินกระย o n อย่างนี้ก็มีเป็นไงเจ้าคะ่ะเดินเอ่อเดินกระย o n นี่เป็นไงเจ้าคะ่ะเดินกระย o n ก็เดินเดินกระย o n ส้นเท้าว่ะคุณตนใจเห็นไหมนักกีฬาบางคนก็เดินกระย o n ส้นเท้าแบบนักมวยเขาเต้นฟุตเวิร์กอย่างนี้นะเวลา อ, ا, อยู่บ น, บนเวทีอแล้วก็ไม่เดินกวัยแขวนชนิดว่ากวายแขวนแกว่งไปแกว่งมามากๆอันนี้เป็นมารยาทธรรมดาของพระที่จะต้องมีทุกรูปเลย เวลาที่จะเข้าไปในหมู่ไปบ้านไปในหมู่บ้านอย่างเงี้ยหรือไปนอกวัดต้องมีความสำรวมใช่ไหมเจ้คาคะใช่ใชสรุปว่าตรงนี้คือมีความสำรวมเจ้คาค่ะความสำรวมตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านนะแต่ความสำรวมในระดับนี้มีทั้งหมดอยู่หลายๆข้อเกือบร้อยข้อนะสามสี่ข้อนี้ก็ที่พูดมาเป็นตัวอย่างให้ฟังนะเพราะฉะนั้นในข้อ น, นี้เป็นความสำรวมที่พระสงฆ์จะต้องมีถ้าพูดถึงความผิดแล้วก็เป็นความผิดที่เบาเบามากนะเบาชนิดที่เรียกว่า ไปแค่บอกกับเพื่อนว่าฉันทำความไปตรงนี้นะแล้วก็หายจากความผิดได้ทีนี้ประเด็นเรื่องของการกล่าวธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างสมมติว่าอาตมาเดินอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเดินอยู่ในวัดมีคนมาถามข้อมูลว่าท่านเส้นทางนี้ไปทางไหนเราพูดได้ไหมเรายือนอยู่พูดไ ด, ด้เจ้าค่ะเพราะว่าแล้วถามว่าไอ้ธรรมะตรงเนี้หมายความว่าสิ่งที่ออกจากปากพระทุกคําเนี่ยเป็นธรรมะไหมก็ไม่แน่เหมือนกันก็ไม่รู้นะว่าตีความไว้ยังไง ทีนี้ถ้าอาตมาใช้ให้อาตมาตีความเนี่ยก็ต้องตีความว่าสิ่งที่ออกจากปากเราเนี่ยถ้าเป็นคําพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมะเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นเขามาถามทางหรือว่าเขามาถามหาคนในสิ่งที่พูดไปมันไม่น่าจะใช่ธรรมะนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของคําให้พร อ, อย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าที่เขาพระนิยมทํากันนะก็อสัพพิติโยประมาณเนี้ยนะสัพพิติโยพวกเนี้ยจริ ง, รงๆไม่ใช่พุทธวัจนะนะ อืมเจ้าค่ะแล้วเป็นอะไรเจ้าคะเป็นคําที่แต่งขึ้นในภายหลังะนะที่เป็นลักษณะของการให้พรว่าเปรียบเหมือนน้ําเนี่ยที่ไหลลงมาจากที่สูงที่ต่ำคุณทําบุญเนี่ยคุณต้องได้บุญแน่นอนผู้แค่เนี้ยเป็นลักษณะของอนุโมทนาอืมเจ้าค่ะอซึ่งตั้งแต่อาตมาเป็นพระมานะไปบินตบาทมีครั้งเดียวที่ถูกถูกคารวะผู้ให้ผู้ถวายทานเนี่ยใส่บาตรเนี่ยถามหาพรเจ้าค่ะตอนนั้นไปอยู่ที่ เหมนไอ้คอนแกนที่โรงพยาบาลศรีนครินไปเยี่ยมไข้แล้วเราก็ไปบินบาตรตอนเช้าเนี่ยอปรากฏว่ามีคนหนึ่งเขามาใส่บาตรเขาขับรถมาเลยวื้นมาจอดหน้าเราเนี้ยบุ๊ปแล้วรีบลงมาวูบใส่บาตรแล้วเราก็จะเดินไปใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเดินไปแล้วเขาถามว่าท่านท่านให้พรก่อนสิเราเาก็นึกในใจว่าเอ้ยพรนี่มันเป็นตัวไงอาตมาก็แค่พูดว่าพรเฉยๆพอพานรอเรือแล้วเราก็เดินไป แต่เขาก็คงงงว่าทำไมท่านพูดแค่นี้น่าจะมียถาสภีอะไรอย่างต่างๆนี่ค่ะน่มมีมีท่านผู้ฟังบางท่านก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้เป็นที่ทำกันใน20ปีมานี้เองนะเพิ่งเป็นเป็นสมัยที่ทำกันมา20ปีนี้เองเรื่องของการที่ว่าจะมาต้องให้พระให้พรตอนบินทบาทเพราะว่าก่อนก่อนโน้นสัก 40-50 ปีก่อนเนี่ย ท่านที่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะคิดว่าเพิ่งมามีในภายหลังเร็วๆนี้เท่านั้นเองอก็ต้องบอกตรงนี้เลยอนะุเรื่องของธรรมะก่อนเลยนะว่าจริงๆบทให้พลอยของพระเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่อนุโมทนาอนุโมทนา<ม>ว่าเออคุณทำดีแล้วคุณได้ดีแน่เพราะนั้นพระจะอนุโมทนาหรือจะไม่อนุโมทนานะคุณได้บุญแน่ คุณคได้บุญแน่นะคุณได้บุญคือคุณให้เนี่ยของหลุดออกจากมือไปเนี่ยมันได้บุญตั้งแต่เริ่มคิดแล้วละ่ะว่าเออวันนี้ฉันตื่นเช้ามานะตีสี่นั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งตีห้าฟังรายการธรรมะรับบุญจบแล้วอ๋อเดี๋ยวเตรียมของใส่บาตรหกโมงจะไปใส่บาตรแค่คิดตั้งแต่ตอนตีสนะคุณได้บุญมาตลอดละ่ะได้บุญตั้งแต่ตอนตีสี่นัแหละนะ ได้บุญตีสี่พอมาเตรียมของตี5้ครึ่งเตรียมของไปได้บุญอีกนะตอน6กโมงเช้าไปใส่บาตรของหลุดออกจากมือได้บุญอีกตอนเย็นตอนอยู่ที่ทํางานคิดถึงว่าโอ้วันนี้ฉันไปใส่บาตรมาดีใจจังนั่นก็ได้บุญอีกนะ<ม>ทั้งก่อนนะระหว่างและหลังคุณได้บุญตลอดเลยนะแล้วถ้าเผือว่าเราใส่บาตรไปแล้วนะเรามาคิดว่าเออดีนะเราได้เป็นการต่ออายุพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ได้อายุยืนไปอีก1วันแม่ดีใจจังๆแค่นี้คุณก็ได้บุญอีก แพระพุทธเจ้ า, จายังบอกนะว่าอาหารสองมื้อเนี่ยที่มีผลเสมอกันมีผลมากเสมอกันเนี่ยคืออาหารที่ฉันแล้วพระสงค์ฉันแล้วเนี่ยปรินิพัตสรู้เป็นพระอรหันต์หรือว่าฉันแล้วเนี่ยปรินิพานธ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอาหารที่เราใส่บาตรพระไปวันนี้เนี่ยปรากฏว่าพระ อ, องค์นั้นฉันเข้าไปแล้วคืนนั้นท่านไป น, นั่งสมาธิปรากฏบรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้โหเราได้บุญมากมได้บุญามากกว่าอาหารมื้อธรรมดาทั่วไป หรือว่าถ้าพระปรากฏว่าพระตายคืนนั้นพระองค์นั้นฉันอาหารที่เราถวายปตายตายเราบาพไปยิ่งได้บุญมากคุณเตือนใจจริงเลยค่ะคือจำไวว่าไม่ได้ใส่ยาพิษ่นะแต่ว่าถ้าท่านปรินิพานนะคือเป็นพระอรหันต์แล้วตายไปในคืนนั้นมาหน้ภาพในคืนนั้นเราจะได้บุญมากอันนี้เป็นพุทธวจนะที่พูดถึงในจุนทกกมรมบุตรที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายในพระพุทธเจ้า แล้วพรุทธเจ้ากลัวว่าคนอื่นจะมาโจทในในจุนทักษกรรมระบดเนี่ยว่าเป็นผู้ที่อาหารถวายอาหารมื้อสุดท้ายแล้วพะพุทธเจ้ามรณภาพเนี่ยนะไม่ดีละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจริงๆแล้วได้บุญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราระลึกอย่างนี้นะว่าถวายอาหารพระแล้วเนี่ยถ้าพระฉันแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านมรณภาพไปในคืนนั้นนะเราจะได้บุญมากเนี่ยเราจะได้บุญมากจริงๆนะะแต่ถ้าเรามากังวลว่าโอ้ท่านไม่ได้ให้พรเราวันนี้เราจะได้บุญหรือเปล่าน้อคุณไม่ได้บุญจริงๆ คุณได้บ sí um> ุญไม่เต็มเจ้าค่ะได้บุญไม่เต็มเลยเพราะว่าเรามีความกังวลในสิ่งที่เราสละออกไปเจ้าค่ะอเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนให้เราก็ได้บุญระหว่างให้เราก็ได้บุญหลังให้เราก็ได้บุญแล้วแล้วยิ่งผู้รับเนี่ยถ้าผู้รับมีคุณสมบัติอีกสามอย่างอย่างที่เราเคยพูดในรายการแต่ว่าอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ให้นะคุณเป็นผู้ให้เนยคุณประสาทไปให้ทานอย่างเงี้ยถ้าเรามีจิตก่อนให้ระหว่างให้หลังให้เรามีจิตศรัทธา และนั่นคือคุณสมบัติของผู้ให้นะว่าจะต้องมี3มอย่างอย่างนี้ทีนี้มาเป็นผู้รับนะผู้รับเนี่ยคือพระสงฆ์ที่มารับของรับทานรับบาสนี่นะถ้าบอกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีราคาโทสะโมหะน้อยหรือเบาบางหรือว่าไม่มีเลยนะหรือปฏิบัติเพื่อที่จะละซึ่งราคาโทสะโมหะอยู่เนี่ยการให้ทานของเราในครั้งนั้นเนี่ยจะมีอ น, นิสงฆ์มากนะมากเหมือนกับน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยว่ากิ่ิกิ่ลิตรเนี่ยประมาณไม่ได้เนี่ย มากประมาณนั้นเลยอืโจค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้นี่ว่าพระองค์ไหนเป็นพระอาหารหันต์หรือพระองค์ไหนเป็นปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์คือพระเจ้าเคยเตือนเอาไว้ว่ามีข้าราชการคนหนึ่งกุนเตินใจเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องการถวายทานในพระอาหารหันต์เท่านั้นพระอื่นนี่เขาไม่ต้องการให้นพระพเจ้าก็บอกข้าราชการคนนี้บอกว่าโอ้ย คนที่ยังยินดีในทองและเงินยินดีในของหอมยินดีในการผ้าเนื้อละเอียดจากเมืองกาสีมีเงินและทองมีบุตรมีข้าทาสบริวารพวกนี้ยยินดีในสิ่งนี้อยู่เนี่ยจะมารู้ว่าใครเป็นพระอราหันต์ใครไม่ใช่พระอราหันต์เนี่ยยากมากมไม่ใช่วิสัยของคุณเลยเพรา ะ, ะนั้นทํำยังไงพระรูชาจึงแนะนําให้ถวายทานในสงคือสังฆทานถวายทานในสงหรือสังฆทานเนี่ยนะหมายความว่า ถวายทันในหมู่สงโดยไม่เฉพาะเจาะจงนะคือเราสมมติเราไปใส่บาตรอย่างนี้เราก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องพระรูปนี้ต้องพระรูปนั้นนะพระอะไรเพราะว่าพระที่ดีเนี่ยนะคุณเตืใจเวลาเขารับรับอาหารมาเนี่ยเขาจะมาแบ่งกันนะพระสงฆ์มีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าอาหารที่เรารับมาแล้วเนี่ยนะคุณเตือนใจพระสงฆ์ที่ดีเนี่ยก็จะนําอาหารมาแบ่งกันนะคือกฎข้อหนึ่งของพระสงฆ์เนี่ยถ้าอาหารมาถึงเราแล้วเนี่ยต้องถึงสงฆ์ก่อน ถึงสนี่คือหมายถึงหมู่สงก่อนนั่นะคือภิก ษ, ทษุทุกรูปเนี่ยต้องเอามาแบ่งกันก่อนนะแบ่งกันในที่นี้ก็คือว่าอา้าวปะเคียนมาตั้งแต่หัวแถวนะพิจารณามารพระภิกษุพูดมีใจละพิจารณาอาหารก่อนว่าท่านจะเอาส่วนไหนนะส่วนไหนจะแบ่งให้คนอื่นก็รับไปแบ่งๆกันไปนะถ้าบอกว่าแบ่งให้คนอื่นก่อนที่ไม่ใช่สงเนี่ยก็จะเป็นอาบัตนะิเป็นความผิดบางทีมาแบ่งให้คารวะก่อนก็ไม่ได้มาเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงก่อนก็ไม่ได้นะนี่คือกฎของพระสงฆ์ พระบาพเจ้าจึงบอกว่าให้ถวายทานในสงฆ์โดยที่ไม่ต้องเฉพาะเจาะจงนี่คือจริงๆเป็นสังฆทานเป็นอย่างนี้ทีนี้สังฆทานเนี่ยบางคนก็จะต้องเข้าใจว่าต้องไปซื้อถังสังฆทานคุณเตือนใจถังสังฆทานที่อยู่ตามร้านขายสังฆพันธ์นะนะข้างหนก็จะมีน้ํามีแฟบมีอุปกรณ์ของบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยมีมาม่ามีปลากระป๋องบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเขาบอกอันนี้เป็นสังฆทานจริงๆแล้วสังฆทานที่บัญญัติโดยพระพุทธเจ้าเนี่ย คือคือถวายทานโดยไม่เฉพาะเจาะจงในสงฆ์คือจะเป็นะอะไรก็ได้นะคุณถวายอย่างไม่เฉพาะเจาะจงคือบางคนซื้อถังอย่างนั้นมาเนี่ยแล้วก็ถวายเจาะจงเป็นรูปก็ไม่ถือว่าเป็นสังฆทานนะเจ้าค่ะบางคนแค่ซื้อน้ายาล้างจานมาซองเดียวนะแล้วก็ถวายแด่สงโดยไม่เฉพาะเจาะจงอันนี้ยังเป็นสังฆทานมากกว่าเข้าใจเนาะเจ้าค่ะ ค, คือพร ะ, พระสงฆ์เนี่ยรับแต่เฉพาะปะจ 4, ัจจัยสีอันควรแก่สมณะจบริโภคใช่ไหม เพร น, นพวกของเครื่องใช้ไหลที่วัดนั้นๆจะใช้เนี่ยกุญ ค, ควรจะเอาไปถวายถึงจะถูกแล้วก็ถวายโดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงรูปถึงจะเป็นสังฆทานซึ่งในการนี้ถ้าวัดนั้นๆเนี่ยท่านมีการมอบหมายนะว่าให้ภิกษุรูปนี้เป็นคนจัดการเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีพระสรูปก็ได้คือบางคนบอกว่าสงฆ์เนี่ยต้องมีสีรูปนะต้องเอาพระมานั่ง4ีหรูปรวมกันแล้วก็ถวายโดยไม่เฉพาะเจาะจงถึงจะเรียกว่าเป็นสังฆทานได้บุญมากจริงๆไม่ใช่เลย เจบางคนบอกว่าสังฆทานเนี่ยได้บุญมากไม่ใช่พนะระพรุทธเจ้าบอกให้ถวายทันในสงฆ์เนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าได้บุญมากน ะ, ะการได้บุญมากหรือไม่อยู่ที่ผู้รับว่ามีกิเลสน้อยหรือกิเลสมากแล้วอยู่ที่ผู้ให้ว่ามีศรัท ธ, ธาน้อยหรือศรัท ธ, ธามากนะถ้าประกอบกันว่ามีคนรับมีกิเลสน้อยคนให้มีศรัท ธ, ธามากนะอันนี้จะได้บุญมากเป็นอม์ประกอบของการได้บุญมากสังฆทานไม่ได้ทําให้คุณได้บุญมากหรือบุญน้อยไม่เกี่ยวกัน สังฆทานเป็นรูปแบบของการให้ที่เพื่อแค่ระบุว่ า, เ, าเป็นให้โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยไม่เฉพาะเจาะจงแค่นั้นเองใช่ค่ะซึ่งพอให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยพิกษุสงก็จะไปแบ่งกันแล้วก็จะแบ่งกันเนี่ยหมายถึงว่าก็จะเข้าระบบคลังลอย่างวัดป่าตันไสโศกของเราก็จะมีระบบคลังหมายความว่าพิกษุรูปใดาขาดอะไรก็มาเบิกที่คลังเพราไปนั้นก็เป็นสังฆทานไปในตัว นะี่ยคือเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างสมมติหลวงพ่อรับสิ่งได้มาแต่มารับสิ่งได้มาเราเอาเข้าคลังหมดอะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราเอาเข้าคลังหมดอย่างช่วงนี้อากาศหนะาวมีคนเอาผ้ามาถวายอาหมวกมาถวายเรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็เอาเข้าคลางังใครไม่มีก็เบิกเอาไปใช้อืลักษณะนี้กช็ชื่อว่าเป็นสังฆทานโดยอัตโนมัติอืเป็นทานที่ถึงแก่หมู่สงศ์โดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงรูปแล้วก็การได้บุญของเขาเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นสังฆทานหรือไม่ใช่สังฆทานละ่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมถามนิดนึงนะเจ้าค่ะบางทีตามความเชื่อของคารวาสเราทั่วไปอะเจ้าค่ะบางทีเราไปซื้ อ, อ, อสังฆทานมาจากร้านสังฆพันธ์ทั้งหลายนี่นะเจ้าค่ะแต่ว่าเราเนิยมชมชื่นหรือว่าเรานับถือพระอาจารย์รูปนี้หรือว่าหลวงพ่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ตั้งใจจะเอาไปถวายหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์ที่เรากราบเคารพนับถือแล้วก็เชื่อมั่นว่า ท่านมีศีลปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสนะเจ้าคะอย่างนี้เนี่ยมันจะถือเป็นการผิดในข้อของที่เรียกว่าเราเรียกเป็นสังฆทานแต่ว่าเราไปเฉพาะเจอดจงไหมเจ้าคะากับ็ถามเจ้าค่ะต้องต้องแยกประเด็นบุญนะบุญที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรานี้ก็ส่วนหนึ่ ง, ง2รูปแบบของการถวายก็ส่วนหนึ่งนะนทีนี้สองประเด็นนี้ต่างกันตรงที่ว่าบุญเนี่ยถ้าคุณถวายบุคคลที่เราเคารพนับถือเรามีศรัทธานี้คุณได้บุญมาก เพราะนั้นถ้าในกรณีของคุณตัดใจซื้อถังสังกฐานมาจะไหวถวายในพระที่รูปที่เราต้องการจะไปถวายอันนี้คุณจะได้บุญมากล่ะออืประเด็นที่สองคือเรื่องของความเป็นสังกฐานคือรูปแบบนะถังที่คุณไปซื้อมาเรียกว่าสังกฐานถังสังกฐานเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นสังกฐานก็ใช่ไหมสังกฐานนี่คือรูปแบบการรับของพระสงฆ์คือไม่มันไม่จะเป็นว่าเอาของห่อนี้เนื่อนรวมกันแพ็กเกจอย่างนี้เรียกว่าสังกทานไม่ใช่ ภิกษุเนี่ยรับเฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจัย4ี่ควรแก่สมณเจริโภครับอะไรก็ได้แต่ที่ควรแก่สมณเจริโภคใช่ไหมทีนี้พอ <จบ S 1> รับมานะแล้วเนี่ยรูปแบบการรับของเราเนี่ยต่างหากที่จะบ่งบอกว่าเป็นสังฆทานหรือไม่รูปแบบการรับของพระนะเพรา ะ, ะนั้นสมมตดคุณตนใจบอกว่าอันนี้ถวายให้หมู่สงฆ์นะโดยมีหลวงพ่อองค์นี้หรืออุบาสกจันท์องค์นั้นเป็นประธานในการรับแต่ถ้าร ะ, ระบุความตั้งใจของเราโดยมีท่านเนี่ยเป็นประธานในการรับอันนี้ก็สําเร็จ ไมันจำเป็นว่าคุณจะต้องถือซื้อถังสังกฐานก็ได้คุณซื้ออุปกรณ์อะไรที่วัดเขาใช้จะเป็นหลอดไฟจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นอาหารก็ได้จะเป็นน้ํายาล้างจานจะเป็นผ้าจะเป็นอะไรมารวมๆกันหรือว่าชิ้นเดียวก็ได้เอ้าแล้วเราบอกว่าอันนี้ขอให้ถึงแก่สงทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นสังกฐานอืเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นคําพูดของรูปแบบหนึ่งในการถวายออกให้แก่พระสงฆ์นะเจ้าค่ะคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงองคใดองค์หนึ่งแต่ ชว่าทวายเป็นสงหมู่มากนะเจ้าคะ่ะแล้วก็สินค้าหรือสิ่งที่เอามาถวายเนี่ยก็ไม่ได้จะจำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรคือเป็นอะไรก็ได้ที่ควรแก่สมณะเจริโภคไม่ต้องอยู่ในรูปแบบถังนตบางคนแบบต้องเอาถังสีส้มด้วยนะถังสีดําก็ไม่ได้เจ้าค่ะต้องเป็นถังพลาสติกนะถังเหล็กก็ไม่ได้อุย้ยถวายแล้วก็ปวดหัวจริ ง, <c oughs> <c oughs> งจริงซึ่งจริงๆแล้วภิกษุเนี่ยอยู่ง่ายมากคุณเตือนใจเอ้ยไม่ได้ว่าจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันต้องสลับซับซ้อนอะไรมากเลยเจ้าค่ะก็แค่ว่าคุณ คุณมีศรัทธาหรือเปล่าแค่แค่นั้นแหะนะแล้ววัดเขาขาดอะไรคุณก็เอาสิ่งนั้นไปถวายก็แค่นั้นเอง <Okay. S 1> แล้วมันไม่ได้ยากคื อ, เ, อ, อเรื่องเนี้ถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นพุตรวาชนะเนี่ยเราจะง่ายปฏิบัติง่ายแล้วก็ที่เข้าใจเข้าใจกันอาจจะยังไม่ถูกนะเรื่องของสิ่งที่เอามาถวายต้องเป็นถังเท่า น, นั้นวันนี้มันก็คือแล้วในถังเนี่ยบางทีมันก็ใช้งานอะไรมากไม่ได้นะคือโดยใจถ้าไ ป, <Okay. S 1> ไปซื้อที่เป็นเขาทําสําเร็จรูปไว้แล้วนะ เจ้าค่ะก็จะมีของเก่ดากด้ว ย, ยใช่ใชของเก่าด้วยแล้วก็บางอย่างก็เป็นสิ่งที่พระท่านไม่ต้องการนะเจ้าค่าแะแต่เขาใสา่มาให้เต็มเต็มเจ้าค่ะเพราะนั้นถ้าบอกว่าต้องการจะให้บุญเกิดแล้วก็สําเร็จประโยชน์แก่ผู้รับอาตมาคิดว่าในเรื่องของการจะถวายทานเนี่ยก็ให้พิจารณาดูว่าผู้รับเนี่ยเขาต้องการอะไระวัดนั้นวัดนั้นเขาขาดอะไรแล้วก็จัดหาสิ่งนั้นมาถวายให้ถูกต้องตามธรรมวินยัย ถูกต้องในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการาว่าถึงสงทั้งหมดก็ระบุแก่ผู้รับนั้นก็แล้วกันนะว่าให้ถึงสงทั้งหมดซึ่งในอย่างตัวอย่างของวัดปด่าดอนไหส่งเนี่ยเราก็จะเป็นรูปแบบของคลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสั่งกานโดยอัตโนมัติอา่าก็จะเอาเข้าคลังไปเลยเข้าคลังสงนะส่งก็จะมาแบ่งกันคใครใครใครก็มาเบิกใหม่ได้ก็มีหลายๆวัดที่ทําในรูปแบบนี้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วบริการต่างๆถ้ามันมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นภาระ ถ้ามาเก็บไว้ที่กุฏิเนี่ยที่พักมันก็จะไม่ไม่เหมาะสมก็จะมีระบบของคลางสงู์ที่เก็บข้าวของพวกนี้ถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะ<ด>ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจนะเจ้าค่ะ<ด>ที่ว่ามีการบรหิหารจัดการกันในหมู่สงูงแล้วก็มีระเบียบ ว, วินัยต่างๆมีข้อปฏิบัติ คือข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ที่องค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะเจ้าคะ่ะในเรื่องของความสำรวมระวัง อ, อะไรต่างๆนานาทีนี้มีประเด็นนิดนึงในกรณีของคุณประสานมีแก้วที่ถามเรื่องนี้นะวะว่าการไปใส่บาตรหรือรับบาตรเป็นจุดๆเนี่ยรวมกันเป็นจุดๆเนี่ยได้หรือไม่คือบางบางคนก็จะมีข้อคิดเห็นว่าไอ้พระสงฆ์ไปยืนรับยืนเฉยๆไม่เดินหรือบิณฑบาตต้องเดินนะอืใช่ะหมนะซึ่งอ พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงตรงนี้จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุว่าจะต้องเดินหรือจะต้องยืนหรือว่าจะต้องอะไรนะคือการไปบินธบาตเนี่ยข้อปฏิบัติของการไปบินธบาตเนี่ยก็คือเดินเข้าไปในบ้านนะเดินไปเป็นลําดับแล้วก็สังเกตดูว่าเขาจะให้ไหมถ้าเขาจะให้ก็หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าคุณหยุดยืนอยู่กับที่ได้ไหมหรือไปตําแหน่งไหนได้บ้างนะไปที่ไหนไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็อันนี้อาตมาคิดว่าก็ต้อง เปิดกว้างให้พระสงค์เหมือนกันนะนะบางทีมีพระต่างประเทศรูปหนึ่งที่ท่านอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นพระฝรั่งแล้วก็ไปบวชบวชอยู่ที่เมืองไทยแล้วพอถึงเวลาที่ท่านต้องกลับไปที่บ้านที่เยอรม น, นีเนี่ยท่านก็เดินทางกลับไปทีนี้ท่านก็ต้องหาลิงชีพด้วยรูปแบบของพระใช่ไหมคือการใบบินตบาดปรากฏว่าในประเทศนั้นก็ไม่รู้ว่า ค, คุณใส่บาทมดคืออะไรคือการใส่บาทและไม่มีใครมารอที่จะใส่บาทพระเพราะไม่มีพระไปบินตบาดเอาแล้ว ฝรั่งองค์นี้ไปรูปแรกจะทำยังไงแต่ท่านก็ต้องไปยืนรออยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแต่คุณเดินใจอ๋อหรอเจ้าค่ะไปยืนรออยู่ซูเปอร์หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตว่าจะมีคนมาให้ไหมปรากฏยืนนิ่งๆอยู่ไม่พูดอะไรเนี่ยก็มีชาวบ้านแต่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาไปถามเออท่า น, ท, า น, ท, านท่านมายืนจะทำอะไรแต่ท่านก็บอกว่ า, าฉันเป็นพิกสุท์ในพุทธศาสนามาบินณฑบาตบิณฑบาตมันคืออะไรเอานี่ไงกูจะให้อะไรก็ให้แล้วเขาก็เลยถามว่างั้นแอปเปิ้ลใส่ได้ไหมก็เปิดฝาบาตรเขาก็ใส่มาเลย แล้วก็รอดอไปรอดไปวันหนึ่งเจ้าค่ะเพราะมันมันต้องเอาตัวรอดให้ได้นะบางทีเจ้าค่ะอะพระที่ไปต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องไปอยู่ในชุมชนที่มีชาวพุทธเยอะๆนะเจ้าค่ะชาวเอเชียเราหรือว่าคนไทยเรานี่ยิ่งจะเหมาะสมใหญ่เลยยมว่าเจ้าค่ะในเรื่องของปากทองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะทีนี้ว่าในกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมก็ต้องเปิดโอกาสให้ภิกษุบ้างบางทีอแล้วก็ในเรื่องของ การยืนหรือการเดินมาเขาคิด <olduğu> ว so, so ่าเปิดกว้างแหละว่าตรงไหนมันมีอะไรพอที่จะหารับประทานได้คือประเด็นคือถ้าเราพอแล้วอย่างพระเนี่ยรับบาตพอแล้วเราก็กลับกลับแล้วก็รับประทานเท่าที่เราพอจะได้ชีวิตอยู่ได้สักวันหนึ่งอย่างนี้นะค่ะก็ยมคิดว่าประเด็นนี้ที่คุณประศาทมีแก้วได้เขียนถามเข้ามานั้นเนี่ยก็คงจะได้รับทราบคาตอบแล้วนะคะแล้วก็ คิดว่าท่านผฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับทราบในข้อที่จริงที่พระอาจารย์ไพปรณอ ภ, ภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงมาด้วยนะคะก็เป็นอันว่าสำหรับการที่จะพระจะมีวัดปฏิบัติอย่างไร ให้เป็นไปตามที่องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในภายหลังนะเจ้าคะแล้วก็เป็นแค่อนุโมทนาบุญหรืออะไรนี่คิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการผิดวินัยหรือผิดธรรมะหรือผิดวินัยสงฆ์ใช่ไหมเจ้าคะยมสรุปอย่างนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะคื อ, ค, อคือมันก็แล้วแต่ว่าเราสิ่งที่ท่านพูดออกมาเป็นอะไรนะเจ้าค่ะอธิม า, มาก็จะให้แนวทางในการตัดสินใจว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าค่ะอ ตอนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณประสาท์บอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ฟังนี่ทราบว่าพระอาจารย์พิบูลจะเมตตาที่จะชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะสำหรับสถานี้ต่างจังหวัดที่ไม่ได้รับรายการธรรมารับารุณในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งคุณประสาทมีแก้วแฟนรายการก็เสียดายที่ไม่ได้ฟังช่วงสารกระฉาเจ้าค่ะก็จริงจริงเป็นนโยบายของทางกรมนะว่าให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยจะรับหรือไม่รับก็ได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามในบันทึกเสียงของรายการธรรมารับปรุณทั้งหมดเนี่ยจะถูกใส่ไว้ในเว็บไซต์เพียวธรรมาร com นะให้ไปดาวน์โหลดกันได้หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านอื่นจะมีคำถามอย่างคุณประสาทมีแก้วก็สามารถเขียนมาถามได้นะจะส่งจดหมายก็ได้หรือว่าจะมาที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่เพียวธรรมาร์ com เจ้าค่ะก็เขียนคํ า, าถามกันได้เลยนะคะแล้วก็สาหรับที่พระอาจารย์ได้บอกเว็บไซต์ ที่เพียวธร m ม c o m นั้นคิดว่าหลายๆท่านอาจจะได้ไปฟังย้อนนะคะแล้วก็อยากจะฟังตอนไหนก็ในในเว็บไซต์ก็จะมีลิสต์บอกเลยว่าออกอากาศวันไหนอย่างไรนะเจ้าคะใช่เจ้าคะ่ะแล้วก็ในกรณีของการเขียนจดหมายคือมีท่านผู้ฟังหลายคนก็เขียนจดหมายมาที่วัดเหมือนกันนะคุณเงินใจเจ้าคะ่ะสองสามฉบับแล้วส่งมาที่วัดนะมาจากทางอุตรดิต์ก็มีมาจากทางชัยภูมิก็มี แล้วก็มีท่านผู้ฟังที่มาเยี่ยมเยียนถึงวัดก็มีอย่างคุณขนบมาจากชัยภูมิคุณเมษีชันทิพย์มาจากอุตรดิตถ์แล้วก็อีกหลายๆท่านก็มาเจ้าค่ะก็แสดงว่าคลื่นของเราที่ออกอากาศจากกรุงเทพมหานครแล้วก็รับเครือข่ายไปโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่นั้นเนี่ยกว้างขวางแล้วก็มีกําลังส่งแรงทีเดียร์แเจ้าค่ะใช่โยมขออนุญาตที่จะเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะถ้าสมมติว่าท่านไม่สามารถรับฟัง สานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือรายการธรรม ะ, ะรับอรุณในภาค FM นั้นเพราะว่าจังหวัดไม่ได้รับสัญญาณนะคะาลองหมุนไปคลื่น AM เนะคะพวาคลื่น AM เนีจะครอบคลุมไปทั่วประเทศเลยค่ะ mm hmm. AM อาจจะเสียงไม่ชัดแจ๋วหรือว่าฟังใสายกิกเหมือนกับทาง FM นะคะแต่ว่าถ้าเปิดท่าน คุณประสาทเองหรือว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆอยากจะรับฟังรายการธารรมะรบรุนจากกรุงเทพมหานครในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็หมุนไปได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปลี่ยนเ ป, เปลี่ยนเป็นภาค AM ็มนะคะแปดรอยอ็ดกิโลเฮิร์ส์เจ้าค่ะก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ ะ, ะ ม, มนีนเจ้าค่ะจะขอสรุปตรงนี้นะว่าการให้ทา น, น, นการใส่บาตรของเราเนี่ยให้ระลึกไว้เลยตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลัง นะว่าจะเกิดบุญเนี่ยโดยการก่อนเนี่ยเรามีการเตรียมการเราระลึกถึงบุญที่เรากําลังจะ ท, ะะทำนะระหว่างนะให้เรามีจิตศรัทธานในการที่น้อมไปเพื่อกันให้หลังจากนั้นเรามาลองคิดดูว่าถ้าพระรับประทานอาหารไปเป็นการยืดอายุประสงคนะ์เป็นการมาซึ่งอายุวรรณสุขภะะแล้วก็เป็นบิณบาต ท, ที่จะมีผลสองครั้งมากจริงๆนะถ้าคิดอย่างนี้เราจะได้บุญมากแค่คิดเท่านั้นเอง คนรับจะเป็นยังไงรูปแบบการให้จะเป็นยังไงก็ทำให้มันถูกก็แล้วกันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าผลบุญกุศลจะเกิดขึ้นก็เมื่อจิตของเรามีศรัท ธ, ธาภาษาท่าอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะแล้วก็คิดดีตลอดเวลาถูก ต, ต้อง เจ mm. ้าค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ซึ่งก็ได้ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่เราคุยกันในวันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามที่หลายท่านก็อาจจะเพิ่งเข้าใจอย่างตัวเดชเองนี้ก็เพิ่งจะเข้าใจในประเด็นที่เวลาเราไปตักบาตรซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงให้ฟังกันไปแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะเห็นจะต้องกลับมาพบกันใหม่สําหรับการสากขาซึ่งเดชจะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมี่ในวัน เสราร์อาทิตย์หน้านะคะแต่ในวันพุธมีเช้าท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังพระอาจารย์ไบบูลอภิปุโนท่านได้พูดคุยในเรื่องของธรรมะดีๆซึ่งท่านก็แบ่งแยกเป็นวันๆคิดว่าท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบอยู่แล้วสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอพระคุณอย่างสูงแล้วก็กราบน้มักการลาพระอาจารย์ไบบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันนะคะกราบนมัสการและกราบขอพระคุณอย่างสูงเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเยี่ยมาก สาธุเจ nah, ้าค่ะ